มีการรับรับสุขต่างๆอย่างดีอย่างดีพวกคนที่มาเยี่ยมพอดีจิตดีใจพอใจพอใจแบบก็ยังรักใครในรเป็นดูเราอยู่กันใดพวกเด็กทั้งหลายที่ยวมรับดับไปตรงนี้กันในเวลาเราเราทำบุญทุนทานเพื่เหล่านั้นท่านหะ และเรามองเห็นด้วยตาปัจจุบันคอยจับมองอยู่ทุกทุกทางคอยรับบุญรับผู้ส่วนอากอยากสี่น้องที่ทำบุญชุนทานต่างๆหนีเรื่องการตายเป็นอย่างนั้นจะไปทำมาฆาตหายจะไปหาอยากห้าชินส่วนใดเม่ได้ความอาศัยตามของคนที่ทำไว้ห่อเลี้ยงร่างกาย ดิสติใจแบบนั้นพวกเราท่านที่ยังในร่มหายตายไปยิงควรที่นึกคิดอะไรมาหากว่าเร า, า, าไม้ทำบุญช่วยทานไม้ทำกุศงามความดีเอาไว้ชิ้นเวลาล่มหายตายไปกว่าจะเป็นอย่างพวกเศษเหล่า น, นั้นมันจะลำบากยากเย็นดังนั้น เมื่อเรายังมีทิอยู่พอที่จะทำบุญนทานอะไรได้ทำโอยอากไปคายคนอื่นให้บุญสุขนมีอยู่ในสมคบสมน์แลจะมีความสะดวกสบายอยากจะไปเกิดเป็นมนุษย์เกิ่อบุตพระธิดามันกดสบายาเพราเรามีเนอยู่แล้วแตเรามีเงินจะไปหาเอาใหม่มนแสนลำบาก ในจ่ากว่าจะได้หาในระยะใดอยจึงไปต่งนรกกล่องมีท่าเจ้าพระสงฆ์ไม่มีใครที่จะไปโสดอย่าสมบัติอสัญานอะไรที่จะนำมาทำบุญทุนทานหรือจะรับฟ้าสีก็ไม่มีเป็นของลำบากยากเรียนแตรร่มาเสพสมนั้นกันเป็นลำบากอยงนั้นในเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ พลังความดีส่วนใดที่ควรจะจะทำบงเทนญเราได้ปลอรีดเล่นฟ้อนไข้แตทำบงเทนเสียอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธเจ้าจะนะความำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังแนนสอนให้พวกเรารู้เราพอใจทางบาปบุญคุณโทษต่างๆแต่เราทุกท่านที่จะนาอย่างนี้ทีนี้ของเรา สี่ขานไปไปวันที่หนึ่งหจะมีคุณค่ามีสาระประโยชน์ควรจะแต่ทำบำเพ็ญอย่างไรถึงจะเป็นบุญเป็นสุขศูนแก่จิตใจของตนเราเรียกเรื่องควงควายจะ่ทำบำเพ็ญแต่ไปนอนหลับภาพคิดนี่เป็นเรื่องควรคิดควรนึกควรฝึกจิตใจของคนเพราะต่างคนต่างคน ควาเป็นอยู่ไม่เป็นของพลังย่างยิ่งี่เราเขียนการตนอีกที่เกิดรุ่นเดียวกันหรือหลังเราต้อร่วมหตายไปนนมากเหมือนกันีพวกเรายังมีบุญมีมีลาอย่างยิ่งที่มีชีวิตยิงโยงคงมาแล้วก็คุณงามความดีอ้มีขึ้นตามามา ยิ่งแต่สมหรืว่าเราเป็นคนสลายนะคุณ ง, งานความดีใส่ตัวขฟงตัวไม่อย่างนั้นชีวิตที่ผ่านมาหมดไปเปล่าไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรถึงเวลาล่มหายตายไปจะไปเชื่อจิตเชื่ใจไปหลังแก่ตัวไม่ได้พอไปถึงเวลาตายแล้วจะไปสั่งคุณ ง, งานความดีที่ไหนพอตายไปแล้ว ต, hey. ต, well, ต้องอาไัตามสิ่งตนทไว้เท่าน sure. ั้นเป็นเ่องสองตามดีัวรไปนไปสู่สถานที่ดีตางตั่วจะไปสู่สถานที่ชั่วยนี้ตัวร้อนตัวให่นั้นเราทุกคนต้องการความดีต้องการความสุกต้องการความเจริญยิ่งนีาเกิดอีกต่อห้มีความสุขมีโรกภายใยเกิดน้อย มีสมบัติชัดเามบ่านช่องทุกอย่างสะดวกสบาย้างเราไม่มีคุณสมบัติหรืมีบุญผูกพันอะไรตายไปก็จะมีความลำบากยุ่งยากแก่ตัวของตัวเองเถิดเราคิดทิดพิจารณาอย่างนี้การทำกิจงารความดีใส่ตัว เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะตักสมเอาไว้ในหน่วเวลาเรายัมีชีวิตเช่นอพเราทุกคนะสะสตามกำลังาความสามารถของตนคุณงาความดีส่วนนี้แหละให้เรียกวัดตามเรามีตามเป็นของของตนมีตามผู้ให้ผลจะไปมีไทั่วก็คือผลของตามรยที่รับผล ถึงไม่ต้องการแต่ก็เหรอเพราะเราได้ทำเอาไว้แต่นั้นตามเลือกทำตาเช่นตามที่ไหนดีทําตามที่ดีมันจะหน้าที่ต้องพวกเราที่จะิดเหนือพลาดจาบหาทำแต่แต่ตาที่ดีใส่ายสุราจารายใจทั้งตัวตาดีนั่นแหละจะเป็นเครื่องสอง จนตามตัวไปในพวกทางหน้าเรายังมีขี่เหล็ดปัญหายังมีมานะที่ติดมีไอ้เจ้าปลายทางยังร่ายขี้เหล็ดไมตายตายขี่เหล็ดไม่ออกตายเรียนได้ตายเกิดของพวกเราทุกคนจะต้องมีการเรียนได้ตายเกิดดีอย่างนี้ต่อเมื่อใดติดใดของเราคนจากอาสวะขี่เหล็ดทั้งหลายจิตใจของเรารู้จัก เราพ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื้อให้เกิดอีกแตจากพัดใจเพราะเราได้ประพฤฏิบัติถึงที่สุดจิดหมายที่เราต้องการแล้วนั่นแหละจีงจะเป็นเชื้อตายใจได้ว่าพบแา่ตั้งหน้าของเราอยู่เพราะปัจจุบันเรารู้เราเข้าใจอยู่แล้วเหมือนกันกับเรามีเท่า อยู่หูเดียวเราแบบไปซ้อมไปทำไปห่ไปหูทิ้หมดแล้วเอไหรเราจะมีข้าวมาจากที่ไหนไปทำที่ทำทานต่อไปเพราะข้าวที่มีอยู่เราไปหูหนึ่งทิ้หมดยังไม่ทิ้งตัวหนึงหูสุก็แล้วจะไปทำทานอีกใจ้างข้าวที่ ปัญอาชาะของนั้นแต่เช่นยังมีชีวอยู่กลัวรู้พอเข้าใจว่าที่เหลืออาชาระคือกอพบก่อศาสตรของเราเราได้ฆ่าแล้วเราเราได้ชำระแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเชื้อให้เกิดอีกต่อไปเราเข้าใจชัดเจนอย่างนี้ผู้ที่เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีความสงสัยว่าพบน้อยพบใหญ่มีการเกิดการตายต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะ ความเข้าใจในความบริสุทธิ์ของตัวสมบูรณ์อยู่แล้วส่วนผู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดยี่งมุดยึดทานอย่างนั้นยังมีการเรินร่ายตายเตลยิงควรจะ่ทำเลือกพักจับหาสร้างกรรมดีเอาไว้ในตายเตลย์วาจาใส่ใจของตัวเพราะกรรมดีนี้จะเป็นชายา จนตามตัวไปทุกฟอกทุกาเหมือนเงาเราจะส่นเขาเข้าถาันเราจะลงน้ำลงเดียวเ ง, งาก็าจะต้องจิตตัวตามเป็นไปอย่างนั้นตามดีพวกเราทุกทัานควรจะทำบ่มเพงอยากไปเห็นว่าตายเสียก่อนเพ่งจะให้ลูกหัวหรือคนอื่น็ทําให้ ไม่เหมือนเปของแน่นอนเพราะการตายไปเราเจะมารอรับบุญที่ส่งจากคนอื่น น, นั่นแน่นอนบางทีเขาไม่ทำใ ห, หรือบางทีเราตายไปทำมชั่อเรามากก็าอาจจะไม่มีโอกาสเวลาที่จะมารับเพราเขาจับคุมคุมตัวอยู่แล้วเหมือนคนที่อยู่ในห้องถังสลายปวดหเราหา ยากให้คนอื่นเยี่ยมอย่างนั้นปล่อยยุบันตาพยาอคหาได้คนที่มีโชอจังชอี่รักที่ชอบใจจะไปเยี่ยเยียนเขาโกงไปเราเยเรียนต่ส่งสิ่งของไปให้ถ้าหกที่อื่นที่ไกลหรือไม่กาที่อูที่อาศัย เขาอยู่สถานที่ใดคนที่ส่ ง, งไปสวอาจะส่งไ่ถู่สันใดตามรอยรับบุญรับบุญศลจากคนอื่นสม น, นุนกันฉะนั้นเราะนั้นพวกเราทำทางที่ดีต่ควรสะสมอบรมถึงงานความดีเอาไว้จะไม่เสียใจตามภายหลังคนเรามีกาเรเกิดการตาย เรียนร่ายอยู่อย่างนี้อาหายังไงม่มีเขาหยุดคนเมื่อใดจะต้องมีการเตือการต า, ต า, ตาแต่ตัวเียนอนพักผ่อิพเบอบางทีก็อาจเป็นเพื่อเ่ปัสวะานเป็นเพื่อกินอุรกายหรือตกนรกเพืเก็บข้มูลเก็บี้ปลตามอำน า, นะน า, น า, านจาสนาคุณงามความดีจะส่งผลให้ความดีทุกคนยินดีใจ แล้วก็การสร้างความดีว่าเต็มอกเต็มใจทำอย่าไปชอบแต่ผลแต่เหตแต่ปส่อยผลใจอาเป็นอย่างนั้นผลที่เราต้องการก็ไม่ได้ตามควมหมายตาเหตุผเหมือนกันกับเราต้องการอาหารแต่เราไม่หามา ข้าวปลาอาหารมันก็มันไมาหลั่งมาเราต้องการข้าวเราทำมาเวลามันเก็บเราออกผลเราไปเก็บเกี่ยวออกมาเป็นของของเราได้าไปเก็บเกี่ยวข้าวของของคนอื่นัตกเป็นของคนอื่นไปนั้นเราต้องาข้าวเราต้องทำมาเรต้องกาบุญต้องการสุขผลก็ต้องทดี ล้วทำดีเอาไว้เนี่ยบุญปุลจะเกิดดอออกผลให้คือต่งไปถู่ความสุดความเจริญต่างๆวันเวลาที่ผ่านไปจนชีวิตของคนทุกคนไปไม่ใช่ว่าวานเวลามันผ่านไปต่อเราในวันจะแก่จะเข่าจะล่มจะตายแต่เราจะมาเผชิญมัวเมาปรามมาโดยสัาง พลังความดีหรือโอกาสามคามอะไรวันเืนก็หไปตอถึงเวลาตายไปจะเสียใจไปหลังนี่เป็นเตนเตือนตัวเองให้ีนี้ที่จะนาสะสมพลังความดีเอาไว้ถ้าหากเราเตือนตัวของเราเองปกตัวของเราเองจะนี้แตตามมหา มความหลับความตายอยู่อย่างนั้นในยมีวันจิตใจที่จะแตรับความถูกความสบายเข้าไปนึกนิดขึ้นฟูจิตใจทั้งตัวเองจิตใจตัวนั้งกันเกิดโฉมดิ่งลงไปถึงคามตายแล้วนึกนิดถึงความตายจึงเป็นเรื่องอันหนึ่งพระพุทธเจาเคยนี่สอนแบบไม่นมามโนมุส้นลนึกึ เมื่อไรเมือลุกขึ้นตอนใดเวลาใดใจจะไม่เฉื่อมเฉื่อมไปในทางผู้อ่อนเราเล p กขึ้นเรามีความตายเป็นธรรมดาถึงองค์ผลความตายไปไหนได้เมื่อเราตายไปเราจะเอาอะไรไปนอกจากกรรมที่เราสะสมเอาไว้เมื่อเราลุกให่นั้นเราต้องการควาดีแล้วก็สั่งความดีเอาไว้ การาะคามายทานหลายในจิตพวกเราเกิต่องแต่ทำมอเป็นเป็นทานเราก็เคยแต่ทำมเ็เป็นจิตวัดเป็นเรืงจตัวถึงเมื่อทำใหญ่โตเราหฐานแต่เราทำอยู่เป็นอาชีพทำอยู่บ่อยๆวันนิดวันนหน่อยทุกวันทเวลาวัวเขาจะเป็นบุญเป็นกุลใหญ่โตเราาได้ก็เหมือนกันเป็น จริงๆเราควรจะรักษาความเพียรละเว้นทางจิตทางใจมีเจตรักษาตายลอยใจใจท่องตนบุญเป็นวทางมือทางบุญทาง้สเกิดขึ้นได้มีมามาใจหวนมีตั้งสิ่งห่เียเมันมีหลาย เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนผู้ศิษย์ใจในตามบูรตามู้ส่วนควรที่นิติแปรนาจะสมบุกลมให้ตัวของเราได้รับผลประโยชน์จากความเกิดพวกคนมนอย่างนั้นความเกิดพวกจะเป็นโมฆะคือหาสารประโยชน์ใดๆจะเกิดเกิดตายตายเสมอแบบต่างอะไรเป็นกัตวาเพราะขอรัดเศรบัตร ย่อมามดีอะไรใมีเช่นจกินแต่ี้ันก็มีมีารประโยชน์อะไรส่วนการตางคุณงานความดีใส่ใจใส่ใจเป็นหน้าที่ทุกคนจะมีพิจาราสะสมเอาไว้เพราะวันที่ผ่านไปต่เราสร้างความดีมันก็ด้รารประโยชน์จากตามแต่ทำมลพิษทั้งตัวอา การทวามั uh ่วก็เป็นเรื่องเลือร้อนจากสองตัวเองการทำดีความตั้วกลุ่มมีบุคคลผู้ใดใครจะทำให้นอกจากตัวของตัวเองคนอื่นเช่นเคยบอกแจกสอนสนั้นเช่นแต่เนี้ยตามนั้นส่วนตัวของตัวเองเป็นคนแต่งทำเป็นคนบำเพ็ญเป็นจะใดดีใจใดตั้วพอตัว ต่างเอาิว่าสุขิ์อสุขสษฐปัจจัยต่างความดีและความชั่วตัวเป็นคนต่างแต่ตัวพห้ตัวเองนาอยโยอันยังโาไทยเย่คนอื่นไมมีใครที่ะนะมาเอาความดีและความชั่วใสตัวพวกเราได้ทำความแํางสอนความคู่ใจกับสอนไวอย่า้เราพวกเราทุกวันนี้นี้เดียงนี้ จิตใจของเราดีขั้วอย่างไรว่าให้ตรวจตาที่พิจารณาส่วนกายวาราโหยเหยียบเนนาทีแล้วโหยเหยีย n ไปฟันคั่วอะไรทางกายของเราอยู่เฉยนผีอยู่แล้วรางาของเราเ็วกโผล่เมดอะไรออกไปตั้มอยู่แล้วงอยู่แล้วจิลยแล้ววาทั้งสองเหลือแต่เรื่องทองใจ ใจของเราเนื้อคิดเป็นบุญเป็นสิศพเนือเป็นบาปเป็นสิศพอย่างไรในตัวตาที่จะน่าการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเ้่อมอบจิตชำจิตให้จิตใจของใจให้จิตใจเบิกบานให้จิตใจหยัดยื